ขอขอนอบน้อมแด่พระรันตนตไตยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอากาบถวายความเคารพหลวงพ่อมหาผู้เป็นประธานสงฆ์และครูบาอาจารย์ทุกทูกนะคะขอเจริญธรรมไม่ขี่ญาติธรรมทุกท่านค่ะ <c oughs> ส่วนไม่อ้วเองนะคะ ก่อนที่จะมาอาเจริญสติกับการทําการทํางานหรือว่าทําครัวได้เนี่ยก็พัฒนาสติมาจนกระทั่งว่าอ่าเข้มแข็งพอสมควรโดยเฉพาะที่มาทําครัวที่นี่นะคะก็การทําครัวหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายเนี่ยเราฝึกเราหัดมาจนกระทั่งวามันเป็นเอง มันเป็นเองมันเป็นความเคยชินระหว่างจิตกับกายมันสัมพันธ์กันจนกระทั่งว่าเราทาการทำงานแบบไหนหรือว่าทำครัวหรือว่าใช้ชีวิตประจาวันเนี่ยมันจะไม่ลืมตนหลงตัวมันจะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะคือความรู้ตัวเนี่ยเราจะทำงานไม่ได้ ทำงานได้แต่อารมณ์มันไม่เย็นมันไม่นิ่งทำพราะความเร่งร้อนรีบร้อนไม่ใช่รีบเร่งค่ะแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยเราจะทำงานแบบรีบเร่งไม่ใช่รีบร้อนงานมากใช้เวลาน้อยแต่ทำงานได้มากค่ะส่วนอารมณ์ต่างๆนี่ไม่มี การกระทบการสัมผัสไม่มีเพราะว่าทำไมไม่มีมันมีอยู่แต่เราในตัวเรามันไม่มีความความร้อนมันมีแต่ความเย็นถึงมันมีมามันก็ไม่ร้อนมันก็เลยไม่มีปัญหาที่ไหนก็ทำได้ที่ไหนก็ไปได้เพราะฉะนั้นการเจริญสติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากค่ะเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันได้ดีที่สุดเลยส่วนทำครัวที่นี่นะคะ รู้สึกว่าครัวเป็นสิ่งที่แปลกกว่ที่อื่นเพราะว่าสภาพที่นี่เป็นสภาพที่หรูหราหรูหราสำหรับทางทำอาหารการกินก็มีแต่ของดีๆ มีแต่ของดีๆก็สิ่งที่ดีสิ่งที่อร่อยเนี่ยมันก็เป็นโทษสําหรับร่างกายนะคะแต่สิ่งที่ไม่ไม่ดีหรือไม่อร่อยเนี่ยมันมันเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเพราะฉะนั้นการทําครัวนี่ก็ก็ดีนะคะที่ที่มีอาหารที่ดีๆมาถวายพระก็ดีแต่เราก็ไม่ไม่ใส่เครื่อง เครื่องปรุงเยอะคือธรรมชาติไม่ใส่ชูรสไม่อะไรแล้วก็ปรับปรุงลงมาก็เป็นอาหารที่ดีขึ้นมาเ ป, นเป็นเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นมาแล้วก็ก็มีความรู้สึกว่ามาทำครัวที่นี่ก็มีสิ่งที่แปลกหลายอย่างอยู่อ่าเช่นว่าวันก็จะพูดตรงๆรงๆไปเลยนะคะอ่าวันแรกหลวงพ่อก็ขอบิณฑบาต อาบ้านว่านในระหว่างเกตวันเนี่ยหลวงพ่อขอบินธบาตเพื่อหลวงพ่อจะเป็นเจ้าของบ้านไม่ให้เจ้าของบ้านเนี่ยกลัวเจ้าของบ้านจะไปยุ่งขวยุ่งห้องนอนอย่างนี้ละค่ะที่ดูแล้วมันก็เป็นไปยากเนาะเพราะความเคยชินของของคนแต่และคนเนี่ยมันก็เป็นไปยากก็เลยรู้สึกว่าอาหารเรามัน จะทำมันมันดีมันสมบูรณ์เกินไปมันก็ทําให้เราไม่ได้อารมณ์เพราะว่ากิจเรามันจะไปคล้องแวะอยู่กับอาหารบ้างอีกอย่างหนึง่งความเคยกินของเราเนี่ยเคยอยู่ดีกินดีอาจจะคิดว่าเออจะวันนี้อาหารเนี่ยจะพอกินไหมเนี่ยกิจมันจะไปคิดอยู่อย่างงั้นแหละค่ะแล้วก็แล้วอาหารบนโต๊ะเนี่ยมาดูแล้วมันน้อยแล้วก็สั่งแล้วสั่งอีกตักขึ้นมาพระท่านก็ทุกเดียวท่านก็ตักไม่ถึงครึ่งเลยอ่ะ ได้ตีกับเพราะเพราะว่าท่านฉันข้าวเนี่ยท่านจะฉันเพื่ออิ่มเพื่อให้อยู่ได้เพื่อให้ดับทุกขเวทนาเก่าเล้ไม่ให้ทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้นเท่านั้นเองอแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะครั้งแรกในสำหรับสาหรับสถานที่นี้โดยเฉพาะไอ้พวกอะพวก คุบะอาจารย์มาเป็นครั้งแรกนะคะแต่ว่าครั้งต่อไปก็อาจจะปรับเปลี่ยนได้เนะาะก็รู้สึกว่าคือไม่ได้ตามเป้าเท่าไหร่อารมณ์เราเนี่ยอ า, อาจจะไม่ได้อารมณ์เท่าที่ควรเพราะว่ายังจิตยังคล้องแมะอยู่กับอาหารการกินในตอนเย็นอยู่ส่วนตอนเช้าเย็นนี่ก็เป็นธรรมดา ส่วนตอนเย็นก็ผิดหลักการปฏิบัตินิดหน่อยถ้าสมมติว่าอยู่ที่วัดเนี่ยคือตักแล้วตักเลยค่ะตักไม่พอก็ไม่อิ่มตักเกินก็แสดงว่าขาดสติไปก็ก็มีความชิดเห็น เช่นว่าการเดินจมกลมก็ไม่อยู่กับความรู้สึกเท่าที่ควรก็ประสบประสบการณ์ก็ขอโทษนะคะท ประสบการณ์ที่นี่ก็คือสภาพสิงแวดล้อมเนี่ยก็ดีมีสัพยะที่ดีหน้าปฏิบัติน่าจัดน่าจะจัดขึ้นบ่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นสภาพที่ดีก็เจ้าของบ้านก็สามารถที่จะอ่าทำสถานที่บ้านเนี่ยทำให้เป็น อที่ปฏิบัติธรรมหาที่พื่งให้ตัวเองอย่างดีก็ภูมิใจในตรงนี้แหละคะ่ะภูมิใจในตรงตรงนี้มากถ้าไม่มีบุญวาสนาก็คงจะไม่เป็นอย่างนี้แสดงว่าเจ้าของบ้านนี่ก็มีบุญวาสนามากที่จะสามารถที่จะจัดมีสถานที่ที่จัดแล้วก็ผู้ที่จัดที่จัดงานนี่ก็มีน้ําใจคือคุณคุณอิท ใช่ไหมคะค่ะที่เป็นเจ้าภาพที่จัดงานตรงนี้ขึ้นนะคะก็ถือว่าดีค่ะเป็นสิ่งที่ดีมากถ้ามีแบบนี้ต่อไปก็คงจะดีมากนะค่ะคือประสบการณ์ที่นี่ก็ดีค่ะก็มีเท่านี้ลหละค่ะ ก็ในการทำครัวแต่ละวันนี่ก็ทำกับความรู้สึกแล้ะค่ะไม่ไม่มีไม่มีการเบื่อไม่มีการหน่ายในการทำงานเพราะว่าเราทำงานด้วยสติเนี่ยมันไม่เหนื่อยค่ะมันไม่เหนื่อยเป็นเพลินกับการเคลื่อนไหวเพลินกับการทำงานกับความรู้สึกตัวเดียค่ะมันเพลินแต่ละวันแต่ละวันนี่ไม่เบื่อไม่หนายในการทำงานหรือว่างานทางพุทธศาสนาเนี่ย คือแม่อ้วนเนี่ยก่อนก่อนไม่อ้วนที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมเนี่ยคือมันเป็นทุกข์มากพอมาปฏิบททัติธรรมเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองที่ทุกข์มันหายลดไปลดล ด, ล, ดลงลดลงจนกระทั่งว่ามันเหลือน้อยเนี่ยพอเห็นความทุกข์ลดเนี่ยในกิตของไม่อ้วนเนี่ยจะมันมันจะมีอุทานขึ้นในตัวเองเนี่ยมีสํานึกขึ้นมาว่าจะชีวิตเนี่ย จะมอบกายถวายชีวิตเพื่อพุทธศาสนาเป็นงานสุดท้ายของชีวิตเนี่ยก็ก็เลยทําการทํางานโดยไม่คิดอะไรเลยค่ะไม่เบื่อไม่หน่ายในการทํางานก็อยู่กับความรู้สึกตัวทุกวันทุกวันทํางานก็ไม่มีปัญหานะคะเจ้าค่ะก็สุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านจง มีความรู้สึกตัวเยอะๆมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเพื่อจะอให้เอาไปใช้กับชีวิตประจำวันเพื่อความทุกเราจะลดลงลดลงจนกระทั่งว่าเหลือน้อยที่สุดะคะทุกท่านทุกคนเตือ น, นะคะ่ะ ถวายความเคารพหลวงพ่อผู้เป็นประธานก็โ อ, อกาสครูบาอาจารย์ทุกรูปเจริญธรรมนักปฏิบัติทุกท่านทุกคนก็มีความรู้สึกปาเพิ่มใจนะที่ได้มาที่นี่ก็เนื่องจากว่าติดตามครูบาอาจารย์มาสักระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าฐานในการปฏิบัติก็รู้สึกว่าจะ ก็จะพูดได้ว่าแน่นพอสมควรในการปฏิบัติก็ไม่มีปัญหาอะไรในการมาอยู่ที่นี่การปฏิบัติก็รู้สึกว่าวันแรกถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นไปได้ดีในความรู้สึกตัวเองคือความง่วงก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่ความรู้สึกตัวก็ชัดเจน การเคลื่อนไหวแต่ละขณะก็สามารถสัมผัสได้ไม่จะออกจากการอยู่ในรูปแบบก็ตาม อ, อิริยาบทย่อยการทําจิตส่วนตัวก็สามารถสัมผัสได้ก็รู้สึกว่าการปิบัติที่อยู่ที่นี่ก็พยายามทําเต็มที่นะอ่อ หลวงพ่อท่านก็ให้โอกาสปีกไปทำส่วนตัวต่างหากก็ท่านจะดูแลญาติโยมเองกับพ่าอาจารย์คมกิแล้วก็ได้จังหวะและโอกาสปีกไปทำก็รู้สึกว่าความคิดที่เข้ามาก็ไม่หนักเพราะเราก็ไม่ได้ความสำคัญในส่วนนั้นไม่สนใจ ไม่จะคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่าง ก, ก็ทิ้งไปทิ้งไปวางไปไม่ยุ่งกับความคิดแต่การปฏิบัติที่ทำมาก็รู้สึกว่ามันจะจางคลายออกไปความคิดที่เคยหนักอารมณ์ที่เคยฝุงสัน้นอารมณ์ต่างๆที่เคยหนักแน่นในใจแต่ทาอย่างนี้สม่าเสมอ น, นี่มันจะค่อยล่อนออกไป น, นีละนิดก็สมาสมารถสัมผัสได้ในตัวเองสัมผัสได้ในตัวเองแม้การพูดนี้มันจะง่ายแต่ว่าสภาวะที่สัมผัสจริงๆแล้วมันลึกซึ้งลึกซึ้งกว่าการพูดอย่างที่เราพูดว่ามันสบายแต่ความรู้สึกจริงๆความสบายมัน ค่คพูดว่าสบายนี่มันความรู้สึกมันมันลึกซึ้งกว่านั้นก็การปฏิบัติที่นี่ก็รู้สึกว่าเบาเบากายเบาใจก็จะมีความง่วงบ้างช่วงหลังอาหารหลังอาหารวันแรกวันแรกวันที่สองวันที่สามหลังอาหาร แต่ก็จะสามารถผ่านไปได้หรือทะลุก็พยายามดั น, ด น, ดนมันมันจะเหมือนกับที่เราชกกะกเยอะกับขมงง่วงบางทีมันมามันมา ท, ทั้งทั้งที่เราเดินอยู่มันก็ยังง่วงอยู่ก็พยายามเดินให้เร็วหรือเดินถอยหลังบ้างหรือมันหนักจิิงก็เปลี่ยนอารมณ์ออกไป นอกลานจงกรมก่อนก็จะไปดูทิวทัศน์หรือไปหยิบจั บ, บผ้าผ้าผ้าอะไรพอมันไทยแล้วก็เข้าสู่ลานจงกรมใหม่ก็มันก็หลุดออกไปก็คือว่าพอความ่วงจางไปนี่มันจะการจเจริญสตินี่จะเริ่มสนุกแล้วเพราะว่าความรู้สึกมันจะชัดความง่วงความฟุ้งซ่านความเบื่อความไรมันไม่เข้ามันจะเป็นความรู้สึกตัวแบบ ร่วนๆกายกับใจมันสัมพันธ์กันเดินทั้งวันก็ไม่เหนื่อยเดินทั้งวันก็ไม่เหนื่อยถึงแม้จะปวดล้าบ้างแต่ว่ารู้สึกว่าจสภาพจิตใจมันอิ่มเอิบ ม, มันมีกําลังใจเรามีกําลังในการทําความเพียรมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่ารู้สึกมาช่วงเลยสามวันมามานี้มันก็มีหนัก เหลนจะว่าหนักหนักกว่าทุกวันเลยวันที่สี่นะความง่วงหนักมากมันรู้สึกอึมครึมมันคุมมันคุมตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายสี่โมงปกติมันไม่นานขนาดนี้นะที่ผ่านมามนไม่นานก็ประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็หลุดได้แล้วแต่นี้มันคุมก็ดันสู้อยู่ก็ไม่ถอยนะก็ไม่ถอยก็หาอุบายออกหลายๆอย่าง ก็ก็ทะลุทะลวงผ่านไปก็พอผ่านจุดนั้นได้มันก็รู้สึกว่าปวดป่งโล่งเบากายเบาใจมันก็เป็นความสบายความสบายก็เกิดขึ้นมันก็รู้สึกว่าก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองที่ที่ดันที่ฝืนกับอารมณ์ต่างๆที่จรเข้ามาแล้วก็หลุด หลุดออกมาในแต่ละวันมันก็มีอยู่อย่างนี้แต่ว่าเรารู้จุดรู้เวลาบางครั้งที่มันมาเวลาอาการที่มันเกิดขึ้นเราก็รู้จักแก้ไขหรือบางทีเวลาความรู้สึกตัวเราชัดชัดมันเข้ามานี่รู้สึกว่ามันไม่นานมันไม่นาน มันเหมือนอย่างกับว่ามันเรารู้ช่องรู้ช่องมันแล้วแค่กระแอบมันก็ไปแล้วอทำนองนี้บางทีมันเป็นบางมันมันเป็นบางครั้งบางครั้งก็หนักหน่วงอาการเหมือนกันแล้วแต่สภาพร่างกายและจิตใจเราในขณะนั้นมันเพียรพร้อมสมบูรณ์ดีไหมแต่ช่วงหนังๆก็รู้สึกว่าปวดป่องครับปวดป่องก็ทําได้ถ้ามันเป็น อาการอย่างนี้เอาตัวรอดได้อย่างนี้ก็รู้สึกว่าเส้นทางนี้ก็คงจะคงมีหวังคงมีหวังในการปฏิบัติคงคงจะไม่ถอยคงสู้สุดใจในเส้นทางสายนี้ก็ขออนุมทนากับเจ้าของบ้านแล้วก็ญาติโยมที่ ตั้งใจมาปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้นะถึงวันนี้ตั้งแต่วันแรกที่ถึงวันนี้เพราะปกติแล้วสองสามวันแรกนี่จะมีกิจธุระสําคัญนะจะไปไม่รอดกันจะมีกิจธุระสําคัญและปีกตัวออกไปก่อนเราอยู่ได้ถึงวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีมีความมุ่งมั่นพอสมควรอืก็เรื่องอาหารกับข้าวแล้วก็ ก็เป็นปกติของเจ้าบ้านนะที่จะต้องให้ความสำคัญกับผู้มาเยือนก็ก็เข้าใจในส่วนนี้ก็อยากให้มีความอิ่มในการรับประทานก็เป็นปกติธรรมดาของเจ้าบ้านที่ต้องดูแลผู้ที่มาเยือนก็สไตล์นี้ก็คงจะจบลงไว้เพียงเท่านี้ก็สิ่งใดที่ปรารถนาแล้ว ของญาติโยมนักปฏิบัติที่ตั้งใจแล้วก็ให้พยายามทำในสิ่งนั้นแล้วก็จงสำเร็จในสิ่งนั้นทุกท่านทุกคนเทิน ท่านหลวงพ่อเขาเป็นประธานท่านอาจารย์มาส่งเจริญพรยัดอยู่มาถึงวันนี้ตมาก็สังเกตว่าหลวงพ่อคงให้ตมาศึกษาอะไรสักอย่างตมาติดป่าติดติดอยู่กับหนึ่งอยู่ในวัดแล้วก็ถ้าเราออกมาก็เหมือนว่าเราเราก็จะทิ้งงาน ลแลยเราก็จะชอบเข้าป่าแล้วก็ชอบอยู่กับพระอยู่กับโยมระวังตัวไม่ค่อยเป็นคือเราเป็นคนง่ายๆลูกทุงลูกทวงที่พูดเว๊กปาร์มันมันต้องมาสํารวมมากก็สองสำงานมาก็สังเกตหลวงพ่อพาไปอบรมซึ่งเราไม่เคยคุ้นกับสภาพที่เพืตามภาษาสมมติก็ค่อนข้างจะหรูหราหนะนะ กับญาติโยมที่อีกแบบหนึง่งเราอยู่ที่วัดเราก็ใครมาวัดเราก็ไม่ได้รู้สิ่งอะไรมีแต่รูปกํานามมาเราก็ใส่เต็มที่ได้เลย <c oughs> พอมาอย่างนี้ก็ต้องมาปรับปรุงบุคลิกภาพวิธีการกระาการขังเราท่า <c oughs> นคงจะให้ได้เรียนรูน้นี้นี่ก็สังเกตตนเองว่าเวลามาทำงานจงเรกก็ดูอ่ะ พอมาเห็นก็คุยกับพระคือคุยกันว่า้าบ้านทั้งหลายเขาท <c> ำ <oughs> มาากิน <c oughs> ประสบความสำเร็จทางโลกจนมีสถานะมัน่นคงเนี่ยก็ถือว่าเขาเขาได้นิพพานทางโลกของเขานะทีนี้ในทางธรรมมันก็นิพพานทางธรรมคือความดับทุกข์ก็เป็นสมบัติอันหนึ่งของเรา อันชาวบ้านเขาประสบความสําเร็จแบบนั้นด้วยความเพียรพยายามเรืเราก็ต้องสําเร็จประโยชน์อีกแบบหนึ่งด้วยความเพียรพยายามเลยคุยกันนะเราอ้าวสำรวมตั้งใจลุยกันนะรอมาในช่วงแรกก็สังเกตอเรามาทํางานเนี่ยสังเกต อ, รอารมณ์อเรา <c oughs> เราคอยดูแอดมในจนช่วงแรกๆเน้นเน้นที่ตัวเองเราเดินจมกรมสังฆะ ก็สังเกต ด, ดูโยมคือเรามีหลวงพ่อกรูอาจารย์่านดูแลอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้รับอะไรเต็มที่กายกระเจียก็อยู่ดีกันดีเต็มมาก็สดชื่นผ่อนคลายอกายกระเจียก็สัมพันธ์กันดีแต่ว่าอารมณ์ที่มัน <c oughs> มันแวบเข้าไปอย่างนี้ยช่วยเหลือเข้าไปดูแลไปบอกนั่นก็มีเป็นระยะระยะ <c oughs> แต่ก็สังเกตังหาง 5. ดูสองสามวันแรกเนี่ยเราจะเห็นจะรอดหรือเนี่ยคิดหัดใจดูทำไมาลง คืเราสังเกตว่าวิธีทํางานคือคืออาตมาเนี่ยเวลาทํางานเราสังเกตอารมณ์ตัวเองเนี่ยคือเราจะคือรู้ว่าเราจะพาเขาไปไหนในเจดวันเนี่ยเป้าหมายที่เราจะพาโยมไปปฏิบัติว่าเขาจะต้องผ่านอะไรวันแรกวันหนึ่งวันสองวันสามถ้าไปตามสเต็ปเนี่ยผลลัพธ์มันจะออกมาอย่างเนี้ยจากการทํางานของเราแล้วเราก็จะวางแผนให้เข้าไปอย่างนั้นค่อนข้างจะบล็อกบล็อกบล็อ ก, อกนี่คือวิธีของเราแต่พอเรามามาเรียนรู้เนี่ย ช่วงหลังไม่ค่อยได้ช่วยงานหลวงพ่อนะเพราะว่าท่านก็ไปทํางานต่างๆประเทศเราก็อยู่ทางไทยจ่วงหลังเออมาดูว่าอย่างอย่างงานนี้เห็นได้ชัดเลยว่าอ๋อวิธีแบบเราก็คืออย่างนี้อย่างนี้อย่างให้ได้ผลออกมาอย่างนี้แต่หลวงพ่อท่านจะมีวิธีปรับอย่างนี้อย่างนี้จนสุดท้ายมันออกมาอย่างนี้เราสังเกตว่าอสามสี่วันแรกเรายังคิดหลวงพ่อน่าจะ ขันเกลียวให้แน่นกันนิดหน่อยอันจะได้ผลลัพออกมาแล้วก็ปล่อยเกินไปั้งอะไรนะเรายังคิดอยู่ <c oughs> แต่พอมาพอพาผ่านช่วงนั้นสองสองวันสุดท้ายแล้วสั ง, สงกเกตเห็นพวกญาติโยมทำความเพียรแล้วก็อ๋อพอผ่านช่วงหนึ่งหลวงพ่อท่านกระชับแบบนี้แบบนี้แล้วก็ผลลัพธ์ของการปฏิบัติอ๋อวิธีไปสู่เป้าหมายมันวิธีแบบนิมนตนตะล่องไปก็มีนะอาจจะมีแต่วิธีลากเข้าไปตามใจเรายัางเดียวอ๋อ ผู้ใหญ่ต้งทํางานแบบนี้เรามันไวรุน่นมันเป็นแบบนี้นี่เองก็เห็นอารมณ์ตนเองอ๋อพิธีจัดการซึ่งการเรียนรู้งานกับหลวงพ่อช่วงสิบปีแรกเราก็ได้ทํำกายชิตช่วงหลังๆก็ห่างมาแต่อารมณ์ของเรามันก็จะโดยบุคลิกโดยวิถีสัยของเราค่อนข้างจะโลดผนดุ ด, ดันอ๋อก็มาเรียนรู้จุดเนี้ยก็เข้าใจว่าหลวงพ่อคงต้องการให้ผมมาเรียนรู้จุดนี้ด้วยนั่นแหละช่วงหลังๆค่อนข้างจะอัตโนมัติสูง แล้วก็ก็เลยเห็นอารมณ์นี้เยอะเหมือนกันนะอ๋อเป็นอย่างนี้ทีนี้ในช่วงของการดูแลยัดโยมเราก็ก็สบายนะเพราะว่าหลวงพ่อดูแลอยุเราก็เพียงแต่เป็นส่วนตล้อมช่วยแล้วในช่วงการให้อารมณ์อะไรต่างๆก็สังเกตตัวเองอันมีสัง <c oughs> โดยเฉพาะในระหว่างวันที่เราทำความเปลี่ยนแล้วสังเกตบางช่วงเนี้ยความเร็วเกินไปของของอารมณ์เราเนี้ย มันมันไหวปัญญามันไหวบางครั้งกำลังสมาธิมันก็ไม่พอเหมือนกันปัญญาความปราดเดียวความสรุปประเด็นอะไรเร็วแต่ว่ากำลังสมาธิพอบางครั้งมันก็ดูรนๆไปเหมือนกันนั่นก็สังเกตเห็นตัวเองะแต่ส่วนในอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรก็คิดว่าที่แรกสองสามวันถ้าประเมินงานอยู่จะได้กี่เปอร์เซ็นต์หน้าพอมาถึงวันนี้ก็รู้สึกว่าเออ อันนี้ก็เป็นงานหนึ่งที่ที่ผลลัพธ์ออกมาดีโดยพยาะญาติโยมสัมผัสอารมณ์ปฏิบัติกันออ ก, ก็เป็นวิธีทํางานอีกแบบหนึง่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมได้เรียนรู้เพิ่มในในอีกมุมหนึง่งเึ่งจากในไม่กไกลเดิทํางานร่วมกับหลวงพ่อมาหลายปีก็อนุโมทนาน่ะญาติโยมทั้งท่านเจ้าภาพที่เป็นเจ้าของบ้าน จะโดนหนักหน่อยว่าต้องดูแลผู้อื่นเยอะเวลาสำหรับการทำความเพียนก็อาจจะไม่มากแต่ว่านี่เป็นการสั่งสมบุญกุศล น, นะถึงเวลาช่วงที่เราจะได้ทําเต็มที่เนี่ยมันจะเป็นบนรรทัานที่จะไปสู่การทําได้ง่ายขึ้นเมื่อช่วงเราไม่มีภาระที่สำหรับญาติโยมที่มาร่วมก็แต่แม้แต่เด็กๆที่ที่เข้ามาช่วยทําครัวอะไรเนี่ยแต่ว่าสังเกตินก็มีความสุขนะร่าเริงดีคุณแหลมคณนณอะที่ช่วยงานนะซึ่งว่าบรรยากาศทั้งหมดนะ ีส่สางเทวดาได้บุญกันทั่วหน้าแล้วก็อนุโมทนาพวกเราด้วยสนุปผลก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆครับขอถาวา้ความก ร, รารไพร่จหลวงพอ่อแล้วก็เพื่อนสาธรรมิกเจริญพรท่านสาธุชนผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านก็ ประเด็นหลงพอให้ว่าถึงเรื่องประสบการณ์ของเราเองที่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ถ้าพูดถึงสถานที่ก็ b บสออฟเดอะเก็ถือว่าดีแล้วก็ประทับใจระดับหนึ่งก็คือแม้แต่สายน้ำที่ไหลเสียงน้ำก็เห็นแล้วก็ก็ดีเสียงน้ำถึงจะมีเสียงดีกว่า เ, เสียงเฮียบ กีเสียงแล้วต่อจากนั้นก็จะมามองไปเห็นว่าเติมออกซิเจนให้น้ําด้วยนะเติมออกซิออกซิเจนเวลาที่น้ํามันไม่ไหลนะก็เป็นส่วนหนึ่งนะจะมามองแล้วก็มองสถานที่นี่สถาปนิกออกแบบดีทั้งลานแล้วก็ตัวบ้านยังคิดถึงว่าถ้าทําสถานที่ปฏิบัติหรือเราสร้างอาคารในวัดสถานที่ปฏิบัติเนี่ย ทำให้คล้ายแบบนี้โดยข้างบนนี้ไม่มีห้องโดยเป็นเป็นสถานที่ที่ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็บรรยายเป็นห้องถูงอย่างนี้ก็ดีถ้าข้างล่างเป็นห้องครัวแล้วก็ส่วนชอบหญ้าเดินเล่นนี่เหมือนพรมเลยก็รู้สึกดีในหลายๆอย่างแต่แล้วก็อาตมามาปฏิบัติที่นี่ก็ นใหญ่ก็จะปฏิบัติที่วัดแต่ที่นี่ถ้าถามว่า เ, าเป็นอย่างไรบ้างก็ดีแม้หลวงพ่อไม่แข้งไม่ฟิกไม่แข้งครัดมากนักแต่ก็ไม่ลูซคือไม่หลวมลวก็พอดีพอดีแล้วก็มาพบกับหลวงพ่อครั้งแรกแล้วก็การปฏิบัติแนวนี้แน่นอนว่ามันจิตจิตฟุง้งมันมีแน่นอนแล้วก็ง่วง บางครั้งก็เหมือนกับคนเมาเดินหน้าทีถอยหลังทีทางนางทีไม่ได้ดื่มแต่ก็เมาทำามาเราเรียกว่าเม า, านิวนอนอสวะมันนอนเรื่องในสันดานของเราเรียกว่าเป็นอนุัสมาสืบมาแล้วก็มันเมาเมาเราเรียกว่าเมาโดยที่ไม่มีสารเคมีแต่มันมีสะสมคือเมานามมาำ้ำธรรมก็ทำให้เราเมาเราเห็นว่าทีน้ามิถะเนี่ยห่วงหลวงพ่อบอกว่าติด เราติดตนหลับตาเวลานั่งสมาธิแล้วหลับตาก็หลับตาเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะหัวขมำนะก็ต้องพอได้สติก็ตื่นแต่ต้องรีบนะก็รีบยกมือทันทีก็ให้จังหวะทันทีแต่เมื่อตอนให้เรกนี่มือหนักแต่ตอนพอช่วงหลังมือเบารู้สึกว่ายกได้ดีขึ้นนะแล้วก็ต่อจากนั้นที่สำคัญก็คือเวลาเราปฏิบัติเนี่ยห่วงกับฟุ้งเนี่ย สองอย่างที่เป็นค่าศึกต่อกุศ ล, ลท่านบอกว่านิโวลธรันการจิตไม่เราบรรลุความดีที่ที่สำคัญคือง่วงกับฟุ้งเนี่ยคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องเราระวังอย่างยิ่งยวดในการปฏิบัติธรรมแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเคยเข้าใจว่าอิอ่มเท่านั้นจึงจะห่วงแต่จริงๆไม่ใช่หรอกแม้แต่หิวก็ห่วง เพราะว่าฉะนั้นการเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับ เ, เวลาอีกรกณีหนึ่งที่คนห่วงแล้วล้างหน้านะหรือว่าล้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าหายห่วงได้แต่ตามามีประสบการณ์ตอนที่เป็นนักประดาน้ำดำเร่ดีบุกอยู่ในที่จังหวัดที่ตามามยู่จังหวัดทางงานลงดูดตูมลงไปสองชั่วโมงมเป็นนั่งห่วงอยู่ ตายน้ําอะเนีฮยไปควงกลุก่มหัวตู่แท้เนี่ยมันยังห่วงเลยคนอื่นไม่รู้นะประสบการณ์ตรงตรงนี้ยะที่บอกว่าแค่ล้างหน้าไม่พอหรอกถ้ามันห่วงจริงๆนะพราะความห่วงมาฝังอยู่มันเป็นนิวรณ์ทำอันกั้นจิตไม่เราบรรลุความดีไม่ว่าเราจะทําอะไรก็ตามในเรื่องจิตฟุง้งจิตฟุ้งนี่ก็สําคัญนะเวลาเดินเนะี่ยมาที่นี่เนะี่ยต้อมาพยายามเต็มที่ ต้องเอ็เทนชันก็คือฟรีดเลยนะพยายามตั้งใจเต็มเตมที่อ่ะก็พยายามตั้งใจที่จะนอกจากเจริญสติในรูปแบบแล้วแม่ให้แต่ออกรูปรู ป, รปแบบก็พยายามเพราะว่าการเจริญสตินี่พระบิดาเจ้าตรัสว่าเป็นเรียกว่าเป็นธรรมอันยิ่งยวดมีอุปการะมากนะพระบิดาเจ้าตรัสไว้ธรรมที่มีอุปการะมากสองอย่างก็คือสติสั สติความระลึกได้สัมปัชัญญาเนี่ยความรู้ตัวแล้วคุณสมบัติของสตินี่พระอัทคคตาอาจารย์ท่านให้คำนิยามไว้ชัดว่าสติลักษณะของสติเขาคือระลึกได้นะแล้วก็ท่านบอกว่าหน้าที่ของสตินี่ก็คือการไม่หลงลืมแล้วก็ผลปรากฏที่จะจะจะจะได้จากสติก็คือการระมัดระวัง ทีนี้ถ้าเรามีสติและท่านบอกว่าสตินี่จําเป็นต้องปรารถนาจําต้องเป็นสิ่งที่จําต้องปรารถนาเอในที่ทุกทุกสถานและในการทุกเมื่อนะคือหมายความว่าไม่ว่าจะอยู่ในไม่ว่าจะอยู่ในเอการทําอาหารของแม่ครัวเองก็ดีนะไม่ว่าในรูปแบบอื่นก็ดีบางวันนี้ยหลวงพ่อแนให้ผมดูนี่นดูสิอะไรนะ ก็เผลอไม่ใช่ว่าเผลอยังไงผักนะก็มีหนอนอยู่นยอาจจะเผลอสติหรือว่าพลาดสายตาไปนะก็คืออย่างหนึ่งเนี่ยคือหมายความว่าที่พูดตรงนี้ก็คือหมายว่าเป็นเคสอย่างหนึ่งว่าสติเนี่ยเป็นเป็นเป็นธรรมที่จำต้องปรารถนา ในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อไม่ว่าจะอยู่ในที่ไหนๆนะจากสตินี่เป็นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งยวดเลยแล้วก็สัมปชัญญะท่านบอกว่าพมมีสติและสัมปชัญญะก็จะติดตามมาสัมปชัญญะนี่ท่านบอกว่าความรู้ตัวโทษพร้อมเนี่ยเนี่ยที่เราจะมาเจริญสติคือหมายความว่าท่านบอกว่าท่านให้คำนิยามของสัมปชัญญนะเนี่ยมีความไม่หลง แมีความไม่หลงเป็นเป็นเป็นลักษณะเลยแล้วก็ต่อจากนั้นท่านบอกว่าหน้าที่ของสัมปชัญญะเนี่ยก็คือเอ่อหน้าที่ของสัมปชัญญะคือตัดสินใจหน้าที่ของสัมปชัญญะและต่อจากนั้นผลที่ปรากฏจากการเราเจริญสัมปชัญญะรู้ตัวโทษพร้อมปรากฏเกิดขึ้นท่านบอกว่ามีช้อยให้เลือกอก็คือมีการเลือกทีนี้รู้จักเลือก ฉะนั้นจะจะเลือกในแล้วเลือกแล้วตัดสินใจไม่ลังเลสงสัยเราจะเห็นชัดว่าเป็นคุณสมบัติที่ยิ่งยวดคือเป็นธรรมเป็นธรรมที่ที่จําเป็นต่อเราอย่างยิ่งที่เรามาเจริญสติในสําหรับตัวเองที่มาที่นี่ที่อย่างที่อบอกก็ก็ว่าดีนะนะเพราะว่าไม่เคยออกมาปฏิบัตินอกสถานที่คือบ้านของโยมคือ เราเรียกว่าเหมือนกับคาหัตนะมีทั้ง เ, เราเรียกมีทั้งพื้นที่ที่ให้เรียกว่ารามณียสถานท่านบอกว่ามันมันเป็นที่นี่เป็นรามรามณียสถานของโยมแต่โยมพยายามที่จะให้เป็นธรรมะรามณียสถานนะก็คือเป็นสถานที่ที่ให้ความร่มรื่นในด้านธรรมะก็อนุโมทนากับโยมด้วยที่พยายามเอ จัดพื้นที่ให้มีพระมาเอา่อมามาพักเหมือนกับปักกรดอยู่ถือว่าเป็นเป็นมงคลต่อต่อสถานที่นะแล้วก็ส่วนตัวเองก็ได้ไม่ว่าจะเป็นได้ได้หลายๆลยอย่างก็คือได้หลายหลายอย่า ง, ปาายยางเป็นชีวิตคือการศึกษาแล้วก็การปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งจาเป็นต่อชีวิตแล้วก็ธรรมะ อยู่กับเรานะเพราะเพราะธรรมะนี่ถ้าเราไม่มีธรรมะชีวิตเราก็ไร้ค่าเพราะว่าชีวิตมีคุณค่าก็ต่อเมื่อมีธรรมะนั้นจึงอขอแสดงความคิดเห็นไว้เพียงแค่นี้นะดเมจะเดินทางเข้ามาก็ลำบากวันแรกนึกว่าจะมาไม่ถึงนะแต่ก็ถึงวันนี้จันได้นะเพราะเหตุปัจจัยก็ขอบคุณขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงนะครับก็ ขเขาเจริญพรเจ้าภาพอนุโมทนา